กรุณาด้วยแรงผลักดันแห่งความเมตตากรุณาอันไร้ประมาณโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงตั้งปณิธานที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงในสังสารวัฏดังนั้น ด้วยการเอาชนะความเห็นแก่ประโยชน์ตนแต่เพียงอย่างเดียวพวกท่านเหล่านั้นจึงภาคเพียรปฏิบัติในสิ่งที่ยากยิ่งคือการสร้างสมบา ร, รมีทั้งห้าและปัญญาเมื่อปฏิบัติจนสมบูรณ์พร้อมด้วยบุญบา ร, รมีและปัญญาสัพพัญยุตายานก็อยู่แค่เอื้อมดังนั้น เนื่องเพราะความเมตตากรุณาเป็นรากแก้วแห่งสัพพัญญุตายานเธอจึงควรทำความคุ้นเคยในการปฏิบัตินี้เสียตั้งแต่เริ่มต้นในพระสูตรบทสรุปแห่งธรรมอันสมบูรณ์กล่าวว่าข้าแต่พระพุทธองค์ โพธิสัตว์ไม่ควรจะปฏิบัติมากหลายวิธีหากโพธิสัตว์ถือปฏิบัติในธรรมเดียวและศึกษาปฏิบัติให้มันสมบูรณ์เขาย่อมมีคุณสมบัติแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในกำ ม, มือของเขาแล้วและหากเธอถามว่าอะไรเล่าคือธรรมเดียวนั้นธรรมนั้นก็คือมหากรุณา พระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อได้บรรลุถึงเป้าหมายแห่งการภาคเพียรปฏิบัติของท่านแล้วท่านเหล่านั้นก็ยังคงดำรงอยู่ในสังสารวัตรตราบเท่าที่ยังมีสัพพสัต์อยู่ก็เนื่องด้วยพระมหากรุณาที่คุณท่านเหล่านั้นมิได้เข้าสู่นิพพานแบบพวกพระสาวกทั้งหลาย เนื่องเพราะท่านใส่ใจในความทุกข์ยากของสรรพสัตว์เป็นสำคัญพวกท่านจึงยอมละทิ้งความสุขสงบแห่งนิพพานราวกับทิ้งบ้านที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นเหตุสำคัญอันขาดเสียไม่ได้แห่งการเข้าสู่นิพพานอันไร้การทรงอยู่ non-abiding nirvana ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็คือ พระมหาการุณาธิคุณนั่นเองเริ่มต้นที่พิจารณาความเสมอภาคการเจริญการุณาภาวนานั้นให้เราเริ่มจากการพิจารณาถึงความเสมอภาคของสัตว์ทั้งหลาย ให้เห็นแจ้งชัดถึงความไม่แตกต่างกันของสรรพสัตว์ทั้งหลายจนสามารถลดความยึดติดในบุคคลที่เราพอใจและลดความเกลียดชังในบุคคลที่เราไม่พอใจสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างปรารถนาความสุขและเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งสิน้นจงพิจารณาให้เห็นแจ้งชัดว่าในสังสารวัต อันหาจุดเริ่มต้นมีได้นี้แต่ละชีวิตก็ล้วนเคยเกิดเป็นญาติมิตรของเรามาก่อนทั้งสิ้นเราจึงไม่ควรยึดติดแค่เพียงบางคนหรือผูกใจเกลียดในบางคนเราจะต้องพัฒนาจิตแห่งความเสมอภาคที่จะไม่แบ่งแยกแตกต่างสรรพสัตว์ทั้งหลาย ความรักความเมตตาเมื่อภาวนาในเรื่องความเสมอภาคให้เริ่มต้นพิจารณาในบุคคลทั่วไปที่เรารู้สึกเฉยๆก่อนแล้วก็เลื่อนไปสู่ญาติมิตรและศัตรูในที่สุดเมื่อจิตรู้ชัดถึงความเสมอภาคกันของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ให้ดำเนินการพิจารณาต่อไป ในเรื่องความรักความเมตตาจงชฉลมจิตของตนด้วยสายน้ำใจแห่งความรักความเมตตาต่อผู้อื่นเพื่อตระเตรียมจิตใจให้สมบูรณ์พร้อมเหมือนเช่นดินที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารเมื่อเมล็ดพันธ์แห่งความการุณาได้ถูกเพาะปลูกลงในจิตเช่นนั้น มันก็จะงอกงามได้โดยง่ายและรวดเร็วเมื่อเธอชลมจิตใจให้ชุ่มไปด้วยความรักความเมตตาได้ดีแล้วจงภาวนาในเรื่องความการุณาต่อไปความการุณาจิตแห่งความการุณา มีธรรมชาติที่ปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ความจำเป็นในการเจริญกรุณาภาวนานั้นก็เพราะสรรพสัตว์ทั้งหลายในภูมิทั้งหนี้ล้วนต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยความทุกข์ทั้งสามในรูปแบบอันหลากหลายแตกต่างกันไปพระพุทธองค์เองท่านก็ทรงกล่าวถึงความเจ็บปวดรุ่มร้อน ที่แสนจะทนได้ยากที่ได้ทรมานสัตว์นรกทั้งหลายอย่างไม่เคยหยุดย่อนเป็นเวลาอันยาวนานบรรดาพวกเปรตทั้งหลายก็ถูกเผาไหม้ด้วยความหิวกระหายและความทุกข์ทรมานทางกายมากมายเราเองก็สามารถเห็นด้วยตนเองว่าเราสัตว์เดรัจฉานก็ล้วนมีความทุกข์ทรมานในหลากหลายรูปแบบ เช่นมันกินกันเองโกรธขุนเคืองทะเลาะกันจนต้องทำร้ายกันหรือไม่ก็ฆ่ากันมนุษย์เองก็เช่นกันล้วนถูกปกคลุมไปด้วยความทุกข์มากมายทุกเพราะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นทุกเพราะการเบียดเบียนกันทุกเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรัก หรือประสบกับสิ่งที่ตนไม่ชอบรวมถึงทุกข์เพราะความยากจนข้นแค้นจิตใจของมนุษย์ถูกมัดไว้ดว้วยโซ่ตรวนของอารมณ์มัวหมองอันหลากหลายรูปแบบเชกเช่นราคะปัญหาและอื่นๆบางก็สับสนอยู่ในอำนาจแห่งความเห็นผิดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งนี่ล้วนคือสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นอันจะทําให้พวกเขาต้องประสบกับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับบุคคลผู้นั่งอยู่ริมหน้าผาพวกเทพเองก็ต้องทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงอย่างเมื่อความตายใกล้มาเยือนการที่จะต้องตกลงไปสู่ภพภูมิที่ต่ํากว่าย่อมกดดัน และรบกวนจิตใจพวกเทพเทวดาที่มีความปรารถนาอันเป็นทิพนั้นอย่างมากแล้วพวกเขาจะยังคงอยู่อย่างสงบได้อย่างไรความทุกข์อันละเอียดที่แทรกซึมอยู่ตลอดเวลานั้นทุ u f f e r i n g เกิดขึ้นจากอำนาจแห่งกรรมที่ตนได้ประธรรมและกิเลสเครื่องมัวมองทั้งหลาย มันมีธรรมชาติและลักษณะที่เกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปเป็นขณะขณะอยู่ตลอดเวลาซึ่งแทรกซึมอยู่ในทุกๆชีวิตจิตวิญญาณดังนั้นเมื่อเห็นแจ้งชัดว่าสรพสัตดล้วนตกจมอยู่ในทะเลเพลิงแห่งความทุกข์ทรมานจงคิดต่อไปว่าพวกเขาก็ไม่ต่างไปจากเรา ที่ต่างไม่ปราถนาความทุกข์กันทั้งสิ้นสพัพพสัตอันล้วนเคยเป็นญาติมิตรที่รักยิ่งของเราเราจะทำอย่างไรถึงจะช่วยพวกเขาให้เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้และสามารถยอมรับเอาความทุกข์ของพวกเขาเข้ามาไว้ในตัวเราแทน ว่าเธอกำลังนั่งสมาธิอยู่อย่างตั้งมั่นหรือกำลังทากิจวัตรประจำวันอยู่ก็ตามจงหมั่นเจริญกรุณาภาวนาอยู่ตลอดเวลาโดยให้กำหนดตั้งมั่นลงไปที่สรรพสัตว์ทั้งหลายและตั้งจิตปรารถนาที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอาจเริ่มจากญาติมิตรของเราก่อน พยายามตระหนักถึงความทุกข์ในรูปแบบอนลากหลายที่กล่าวมาที่พวกเขาจะต้องประสบแล้วจากนั้นก็มองให้เห็นว่าสรรพสัตว์อื่นๆก็ไม่ได้แตกต่างกันเมื่อเธอรู้สึกเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ได้ไม่แตกต่างกับญาติมิตรของเธอเองก็ให้ขยายขอบเขตความเมตตากรุณานั้นออกไปทั่วสารทิศ เหมือนกับแม่ที่ห่วงใยลูกน้อยที่รักยิ่งที่กำลังทนทุกข์ทรมานอยู่เมื่อเธอบังเกิดความเมตตากรุณาเช่นนั้นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอันไม่มีประมาณขึ้นเองนั่นการปฏิบัติกรุณาภาวนาของเธอก็สมบูรณ์และนี่เป็นที่รู้จักกันในานามมหาการุณา ดังนั้นก่อนอื่นให้เริ่มเจริญเมตตาภาวนาแก่ญาติมิตรและคนที่เธอคุ้นเคยเสียก่อนโดยตั้งจิตปรารถนาให้เขาเหล่านั้นมีความสุขแล้วจึงค่อยๆขยายไปสู่คนแปลกหน้าที่เธอไม่รู้จักจนกระทั่งศัตรูการเจริญเมตตากรุณาจนเป็นนิสัย เธอจะค่อยๆบังเกิดความปรารถนาที่จะปลดปล่อยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกขโดยสิ้นเชิงในที่สุดดังนั้นการคุ้นเคยกับความการุณาจึงเป็นรากฐานของการภาวนาเพื่อเสริมสร้างโพธิจิต